ถ้ารมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลคือไม่เลือกว่าเป็นชาติไหนไม่เลือกว่าเป็นเพศไหนไม่เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูง หรือเป็นผู้ต่ำเป็นผู้ร่ำรวยหรือผู้ยากจนคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้กับทุกๆคนไม่เลือกชาติจนันวนะเพศหรือวัยเพราะผู้รับที่แท้จริงคือจิตใจก็เป็นสากลเหมือนกัน จิตใจไม่มีชาติไม่มีวัยไม่มีเพศ ธ, ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีผู้สนใจมาศึกษาและปฏิบัติกันมาจากหลายชาติหลายภาษาด้วยกันมาจากหลายเพศหลายวัย หลายชั้นวันนะหลายระดับของฐานะการเงินการทองหลายระดับของความรู้ความสามารถการศึกษาเพราะว่าธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยานี้ก็เป็นสากลเหมือนกัน ร่างกายที่ต้องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสาคัญเวลาเจ็บไข้ด้วยโรคใดก็ตามยาที่ผลิตมาเพื่อรักษาโรคนี้จะผลิตมาจากประเทศไหนก็เป็นยาที่ใช้รักษาโรคได้กับคนไข้ไม่ว่าคนไข้นั้นจะเป็นชาติ อะไรเพราะว่าเรื่องของความไม่สบายของร่างกายเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ เ, เป็นสากลเหมือนกันคือไม่เลือกเชื้อไม่เลือกชาติชนวันนะเพศชั้นใดธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคของใจใจของใครไม่ว่าจะเป็นชาติใดเป็นเป็นวัยใดเป็นเพศใดเป็นฐานะใดเวลามีความไม่สบายใจถ้าได้ธรรมะที่เป็นเหมือนยารักษาโรคใจเข้ามารักษาก็จะสามารถ รักษาให้โรคภัยของใจนั้นหายขาดไปได้พระพุทธศาสนาจึงมีผู้เคารพนับถือหรือมีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติมากมายหลายชาติหลายภาษาด้วยกันแต่เนื่องจากร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ตกอยู่ภายใต้ กราบของสมมุติคือร่างกายที่เกิดมาในประเทศไทยก็จะเป็นร่างกายของคนไทยไปจะต้องมีภาษาเฉพาะของร่างกายของคนไทยถ้าไปเกิดในร่างถ้าไปเกิดในประเทศ อ่ก็จะมีภาษาอื่นภาษาที่จะใช้ในการสั่งสอนธรรมะให้แก่คนแต่ละชาติจึงต้องต่างกันไปเช่นสมัยพระพุทธการคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสอนเป็นภาษาบาลีเพราะสมัยนั้นคนที่ ได้ยินในฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ใช้ภาษาบาลีถ้าใช้ภาษาอื่นพูดคนฟังก็จะฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะประโยชน์ของการฟังธรรมอยู่ที่การเข้าใจนั่นเองดังนั้นผู้แสดงธรรมก็จึงต้องแสดง ภาษาเดียวกันกันกบผู้ฟังผู้ฟังถึงจะฟังรู้เรื่องถึงจะได้รับประโยชน์แต่ภาษานี้ไม่ได้เป็นตัวธรรมะภาษานี้เป็นเหมือนสื่อที่ใช้ที่ใช้เอาพาธรรมะจากร่างกายของผู้พูดไปสื่อร่างกายของผู้ฟังแล้ว เข้าไปในใจของผู้ฟังอีกทีหนึ่งพอเข้าไปในใจภาษาที่ฟังก็กลายเป็นภาษาใจไปก็คือเนื้อหาสาระของคําสอนดังนั้นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงต้องมีการแปลมาให้เป็นหลายภาษาด้วยกันเพราะผู้ที่จะรับฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชาติหลายภาษาถ้าสอนภาษาเดียวคนฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องเช่นพวกเราเป็นชาวไทยเวลาที่พระท่านพูดภาษาบาลีเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเวลาเราสวดมนต์เราสวดได้แต่เราไม่เข้าใจความหมาย อพระภาษาที่เราส่วนเนี้เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนในสมัยพระพุทธการแต่ในปัจจุบันภาษาบาลีนี้ไม่มีการใช้พูดใช้ฟังกันแล้วมีแต่ภาษาไทยเวลาจะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้ภาษาไทย ถึงจะเข้าใจแต่พอเข้าไปเข้าไปในใจแล้วก็เป็นภาษาเดียวกันก็คือความเข้าใจความรู้เรื่องว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นคืออะไรเช่นทรงสอนอริยาาสัจสอริยสัจสี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the four noble truths ถ้าคนฟังไม่ใช่เป็นชาวอังกฤษหรือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พอฟังอริยาาสัจสีเป็นภาษาอังกฤษก็จะไม่เข้าใจคนอังกฤษถ้าฟังภาษาไทยว่าอาริยสัจสี่ฟังก็จะไม่เข้าใจทั้งทั้งที่ทั้งสองภาษานี้สื่อความหมายอันเดียวกัน แต่เนื่องจากร่างกายนี้มันไม่เป็นสากลเหมือนกับใจก็เลยต้องมีการแปลงแปลงธรรมะให้เข้ากับภาษาของผู้ฟังเพื่อผู้ฟังฟังแล้วจะได้เข้าใจความหมายของธรรมะที่ต้องการจะสื่อเหมือนกับปลั๊กไฟฟ้า ที่เราบางทีต้องมีการดัดแปลงปลั๊กบางทีมันเป็นแบบกลมบ้างเป็นแบบเหลี่ยมบ้างถ้าแบบกลมไปเจอแบบเหลี่ยมมันก็เข้ากันไม่ได้ก็จะเป็นจะต้องมีตัวแปลงแต่กระแสะไฟที่วิ่งผ่านปลั๊กนี้มันก็เป็นกระแสะไฟอันเดียวกันดังนั้น คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีหลากหลายภาษาด้วยกันแต่เนื้อหาสาระนี้เป็นสากลคือใช้ได้กับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและรวมไปถึงเดรชานด้วยเพียงแต่ว่าเดรชานเขาไม่มีภาษาที่จะสื่อกันได้อย่างลึกซึ้ง การจะสอนเดรัจานก็สอนได้ในระดับต่ำเพราะไม่สามารถที่จะใช้ภาษาสื่อความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะได้ใช้ได้เพียงแค่ระดับพื้นฐานเช่นความเมตตาเวลาเราให้อาหารสัตว์เราก็สอนให้เขารู้จักว่าความเมตตาเป็นอย่างไร เวลาเขาทำอะไรไม่ถูกเราก็ตีเขาสอนเขาให้รู้ว่าเขากำลังกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง<ม>เป็นบาป<ม><ม>ก็สอนได้เพียงในระดับต่ำ<ม>แต่จะสอนระดับสูงเช่นปัญญานี้เช่นทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนี่สอนไม่ได้เพราะว่าเบลชานไม่มีภาษา ที่จะใช้พูดใช้ฝังใช้สื่อกันได้อย่างลึกซึ้งก็มีแต่ตะโกนดเอะว่าเป็นไปเวลาเราดูเขาเราก็ต้องทำกิริยาการส่งเสียงที่ทำให้เขาเข้าใจว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอย่าทำนะหรือถ้าก็ยังไม่เข้าใจก็อาจจะต้องหยิบไม้ตีสักครั้งสองครั้ง เขาก็จะเข้าใจเหมือนกับเด็กที่ยังไม่รู้จักภาษาก็เป็นแบบเดียวกันเด็กๆที่เกิดมาในระยะแรกๆนี้ก็เป็นเหมือนเดรัจฉานเพราะเขายังไม่รู้จักภาษาพ่อแม่เวลาจะสอนลูกก็ต้องใช้วิธีใช้ภาษาใบ้คือใช้ไม้ใช้มือใช้กิริยาการต่างๆ เป็นการสื่อกันแต่ใจผู้รับนี้ก็เข้าใจความหมายเหมือนกับใช้ภาษาพูดใจนี้จึงเรียกว่าเป็นสากลแต่ร่างกายเป็นเป็นสมมุติที่ยังมีกรอบของภาษาอยู่เวลาจะสื่อความหมายกันต้องใช้ภาษาของร่างกาย ถึงจะเข้าใจกันแต่ประโยชน์ที่ใจจะได้รับจากภาษาจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะผ่านภาษาใดก็เหมือนกันคือจะเป็นยารักษาโรคใจถ้ามีธรรมะอยู่ภายในใจใจก็จะปลอดภัยจากโรคของความทุกข์ โรคของความว่าวุ่นขุ่นมัววิตกกังวลเดือดร้อนเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสากลสามารถรักษาโรคความทุกข์ของใจได้ทุกชาติทุกภาษาเพียงแต่ว่าเวลาจะสื่อกันนี้ต้องใช้ภาษาของผู้ที่ฟัง ผู้ที่ฟังถึงจะสามารถรับธรรมะเข้าไปสู่ภายในใจได้แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มีผู้ที่นำเอาไปแปลหลายภาษาด้วยกันแล้วก็สามารถนมนำเอาไปปฏิบัติได้เหมือนกัน แล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าเข้าใจความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถนำเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติเพื่อทำลายความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้กาจัดจำกัดอยู่ที่เพศหรือวัยอยู่ที่ชาติที่ภาษาอยู่ที่ฐานะการเงินการทองหรือแม้แต่การศึกษาทางโลกก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการ ศึกษาปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้บรรลุมรคผลณิผนคนที่ไม่ได้เคยเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกก็ยังสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ได้เคยได้ยินประวัติของพระอาจารย์บางรูปที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นชาวนาชาวไร่ท่านไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ท่านก็ยังบวชได้โดยอาศัยการท่องจํำคําที่จะต้องกล่าวในการบวชเมื่อท่านท่องจําได้ท่านก็บวชได้แล้วเวลาครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนท่านก็คอยจดคอยจําไม่มีไม่สามารถอ่านหนังสือต่างๆของครูบาอาจารย์ได้ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาพอให้ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเพราะนั้นคนที่ไม่รู้จักธรรมะก็อาจจะนึกประมาทคนที่ไม่มีการศึกษาเช่นครูบาอาจารย์บางรูปที่ท่านไม่มีการศึกษาทางโลกสูงแต่อย่างใด บางท่านก็จบแค่ป .4 เข้าใจว่าหลงตาท่านก็จบแค่ป .4 หรือปอ .3 เท่านั้นเองแต่ความรู้ทางโลกนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือจะถ่วงการเจริญทางมรรคผลนิพานแต่อย่างใดคนทางโลกที่หลงคิดว่าความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ที่ สำคัญและคิดว่าผู้ใดที่จะเข้าสู่ธรรมะได้จะต้องมีการศึกษาสูงในทางโลกก็จะเข้าใจผิดเพราะว่ามีผู้ที่มีการศึกษาน้อยแต่สามารถเข้าสู่แก่นของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และสามารถบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ การศึกษาจึงไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างไรประเด็นสำคัญอยู่ที่การได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเพราะถ้าไม่ได้ศึกษากับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็จะไม่ได้รู้ความจริง ไม่ได้รู้ความจริงที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเมื่อไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเวลานำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ผลอย่างถูกต้องนั่นเองเหมือนกับได้รับแผนที่มาที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงเราต้องการไปสถานที่หนึ่งแต่แผนที่ชี้ให้ไปอีกสถานที่หนึ่ง พอเราเดินทางไปตามแผนที่นั้นแทนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็ไปไม่ถึงนี่แสดงว่าแผนที่ไม่ถูกต้องตามความจริงการศึกษาจากผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะตกอยู่ในลักษณะนี้คือจะได้แผนที่ไม่ถูกมาแล้วถ้าเดินตามแผนที่ที่ไม่ถูก จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปก็จะไปไม่ถึงดังนั้นการศึกษาจึงจำเป็นจะต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นี่คือหลักของชาวพุทธเราที่เรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคาว่าสารณะในที่นี้ก็คือผู้ที่บอกทางผู้เขียนแผนที่ให้กับเรา พระพุทธเจ้าท่านตัดสัรุแล้วท่านถึงพระนิพพานแล้วท่านเขียนแผนที่ให้กับเราได้อย่างชัดเจนถูกต้องแม่นยำพระธรรมคำสอนก็เป็นแผนที่ที่พระพเจ้าได้ทรงจะได้ทรงเขียนไว้แล้วแล้วก็เอามาเก็บไว้เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่อนุชนรุ่นหลังได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อ ก็นี่ก็คือพระธรรมคำสอนแล้วก็พระ อ, อริยสงสารกทั้งหลายลก็เป็นผู้ที่เดินทางไปถึงพระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าโดยอาศัยคำสอนหรือแผนที่ของพระพุทธเจ้าเป็นสื่อนำทางไปพอท่านถึงแล้วท่านก็รู้จักทางที่จะไปถึงพระนิพพานท่านก็สามารถบอกทางให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยงนี่แนหะคือความหมายของพระตัณหาไตยพุทธังสารนังกฉามิธรรมังสารนังกฉามิสังขังสารนังกฉามิท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บอกแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องแนวทางที่ถูกต้องก็คือมรรคแปนี้เอง สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมากรรมันโตสัมมาสังกโปความคิดที่ถูกต้องอันนี้เป็นหัวหอกของมรรคต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเห็นว่าทางไปสู่พระนิพพานไปทางไหนนั่นเองถ้าเห็นผิดก็จะไปไม่ถูกไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ต้องเห็นว่ า, เ, าเช่นต้องเห็นว่าตายแล้วไม่สูญอย่างนี้ผู้ที่ตายคือร่างกายแต่ผู้ที่ไม่ตายคือจิตใจผู้ที่จะต้องไปรับผลของการกระทำต่อไปก็คือจิตใจนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้ารู้ว่าการกระทำต่างๆ มีผลตามมาผู้ที่กระทำก็จะได้ระมัดระวังแต่ถ้าไปมีความเห็นผิดคิดว่าเมื่อตายไปแล้วไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีผู้รับผลของการกระทำถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็ไม่ระมัดระวังกับการกระทำเพราะคิดว่าอย่างมากก็แค่ตายตายแล้วก็จบ ต่อให้ไปค่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนเวลาตายไปก็ไม่ต้องรับผลอะไรผลก็แค่ตายเหมือนกันคนทําบุญก็รับผลคือความตายคนทําบาปก็รับผลคือความตายเหมือนกันอย่างนี้ไปทําบุญให้มันเหนื่อยทําไมเอทําบาปไม่ชันไม่มันกว่าเลยออยากจะทําอะไรก็ทําได้อย่างเต็มที่ เพราะในที่สุดผลที่จะได้รับจากการทําบาป ก, ก็คือความตายแล้วคุณอย่างนี้จะมีคนจะมีจิตใจที่จะทําบุญไปทำไมเพราะทําบุญมันมีแต่ขาดทุนมีแต่เสียเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอะไรต่างๆแล้วไม่ได้อะไรนอกจากความตายสู้ทําบาปไม่ดีกว่ากินเหล้าเมายาเล่นการพนัน เที่ยว ก, กลางคืนมีความเกียดคร้านเวลาเงินขาดก็ไปโป้นไปที่ไปโกงไปทําบาปทํากรรมด้วยวิธีการต่างๆพอตายพอถึงเวลาก็ไปรับผลก็คือไปตายเท่านั้นเองนี่คือมิจฉาทิฐิคือความเห็นของผู้ที่ไม่เห็นความจริงคือไม่เห็นว่าผู้กระทําที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้ถูกสั่งให้รับ คำสั่งตอนนั้นเองผู้รับคำสั่งไปทําแต่ผู้ทําจริงๆคือใจใจเป็นผู้สั่งให้ทําแล้วก็ทําพร้อมๆไปกับการกระทําของร่างกายเพราะร่างกายนี้จะขยับขยื่นได้จะทําอะไรได้นี้ต้องใจเป็นผู้ขยับขยืขย่นร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นเชิดถ้าไม่มีคนเชิดหุ่นนั่นจะขยับไปไหนไม่ได้ เช่นเวลาคนตายนี่จะไม่ขยับไปไหนตายที่ตรงไหนก็จะจอดอยู่ตรงนั้นต้องมีคนอื่นมาแบกหามร่างกายนี้ไปเผาไปฝังมันไม่สามารถไปเผาตัวมันเองได้ไปฝังตัวมันเองได้เพราะผู้ที่เชิดมันไม่อยู่แล้วนี่แหละผู้ที่เชิดคือใจไปรับผลแล้วโดยไม่รู้สึกตัวว่าตอนเองกำลังไปรับผล ผลก็คือนี่แหละมีสองส่วนส่วนที่ดีเรียกว่าสุขคติหรือสวรรค์ชั้นต่างๆผลที่ไม่ดีก็คืออบายหรือทุกคติที่ต่างกันตรงที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าอบายนี้จะมีแต่ความทุกข์มากทุกน้อยตามลำดับของบาป ก, กรรมที่ทำไว้สุขคติ คือสวรรค์ชั้นต่างๆก็มีแต่ความสุขที่ต่างกันเช่นเดียวกันตามกำลังของบุญที่ได้ทำไว้ว่ามากว่าน้อยทำมากก็จะสุขมากทำน้อยก็จะสุขน้อยทำบาปมากก็จะทุกมากทำบาปน้อยก็จะทุกน้อย แต่เมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อไปรับผลบาปเสร็จแล้วหรือผลบุญเสร็จแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จนกว่าจะไปรับผลบุญขั้นสูงสุดเท่านั้นถึงจะไม่กลับมาเกิดคือไปรับผลบุญระดับขั้นพระนิพพานขั้นมรรคผลนิพพานคือตั้งแต่พระอริยเจ้าขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต จำนวนพกชาตินี้ก็จะน้อยลงไปตามลำดำับของพระโสดาบันก็เหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากของพระสกิดากามีก็หนึ่งชาติกลับมาเกิดอีกหนึ่งชาติถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่กลับมาเกิดเลย ะอนาคามียังกลับมาเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆแต่ชั้นเทพชั้นพรหมนี้เป็นสวรรค์ที่ไม่ถาวรถ้าบ้านก็เป็นเหมือนบ้านเช่าไม่รู้ว่าเขาจะให้เราย้ายออกเมื่อไหร่วันไหนเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาก็ขอเชิญเราออกจันใดเวลาเราบุญหมดจากสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องเริ่มลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ ปอบุญสวรรค์ชั้นเทพหมดก็ต้องเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าไปถึงขั้นระดับของพระอริยเจ้าขั้นมรรคสีพุนสีนิพพานหนึ่งนี้ก็จะกลับมาเกิดไม่ไม่มากกว่าเจ็ดชาติําหรับขั้นแรกขั้นพระสสดาบัลพอขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวอีกครั้งหนึ่ง ถ้าขั้นพระอน า, าคามีก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาาหารหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าเป็นพระอาาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในปลายพบเลยปลายพบก็คือการมาพบรูปพบอรูปพบกามาพบก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆของชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆ ลงมาจนถึงนรกนี่เรียกว่ากามาพบคือเป็นภพของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ยังติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอื้ถ้าเสพด้วยการกระทําบาปก็ต้องไปเกิดในอบายเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่คือผู้ที่ยังติดการเสพกามอยู่แล้วทำบา ในเวลาจะเสพการทำบาปเช่นไปประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้ไปเสพการไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปขโมยเงินทองเพื่อมาซื้อสุรายาเมาหรือไปดูละครไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่า <c oughs> เสพการด้วยการกระทำบาป พอตายไปก็ต้องไปใช้ผลในอบายทั้งสี่แล้วพอใช้นี้หมดแล้วใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าตายแล้วไม่ศูนตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทาเอาไว้ ถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็จะมีความคิดที่ถูกต้องตามมาว่าเราก็ต้องไม่ทำบาปถ้าเราไม่อยากจะรับผลที่ไม่ดีถ้าเราไม่อยากติดคุกติดตารางเราก็ไม่ไปทำผิดกฎหมายผลที่เกิดจากการทาผิดกฎหมายนี่เราเห็นกันเราถึงกลัวกันไม่กล้าทำกันเราไม่กล้าไปทำผิดกฎหมายเพราะเรากลัวจะถูกตำรวจจับ จับแล้วก็ต้องถูกไปจับไปลงโทษอันนี้ก็เช่นกันเมื่อทำบาปแล้วถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็มีผลตามมาคือมันจะต้องพาให้เราไปติดคุกติดตารางในอบายเช่นทำบาปแต่ไม่ผิดกฎหมายเช่นมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่ผิดกฎหมายไปจับปลามาขาย จับปลาจับกุ้งจับเป็ดจับไก่มาค้ามาขายมาค้ า, ม, า, ามันไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีดลธรรมมีผลเสียหายตามมาหลังจากที่เวลาตายไปแล้วจิตใจผู้กระทํานี้จะต้องเป็นผู้รับผลบาปไม่ว่าจะเป็นชาติใดไม่ว่าจะเกิดอยู่ในประเทศใดก็รับผลเหมือนกัน เป็นฝรั่งถ้าไปทำอาชีพแบบนี้ก็ไปที่เดียวกับคนไทยที่ทำอาชีพเดียวกันถึงเพียงเรียกว่าเป็นสากลคือไม่เลือกชาติไม่เลือกภาษาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกฐานะเป็นคารวะเลือกเป็นพระทำบาปข้อเดียวกันก็ไปรับผลอันเดียวกัน ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไม่กล้าทําบาปเราก็จะเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เราทําแต่บุญไม่ให้ทําบาปแล้วก็ให้เราชําระใจให้สะอาดบริสุทธิการจัดความโลภความกดความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่แหละคือ แก่นของศาสนาคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามีอยู่แปดหัวข้อใหญ่ๆพอเรามีความคิดที่จะไม่ทำบาปเราก็จะรักษาศีลได้เพราะการไม่ทำบาปก็คือการรักษาศีลนั่นเองก็คือไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด ต, ตเวณีไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่เสกประบายามุขต่างๆ ที่เป็นเหตุที่จะทำให้ไปทาบาปต่อไปเช่นเดิมสุลาเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดค้านคบคนชั่วเป็นมิตรการกระทำเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราไปทำบาปต่อเราจึงต้องละเว้นจากการกระทำเหล่านี้ถ้าเท่ากับถ้าเราละเว้นก็เท่ากับเรามี การปฏิบัติตามข้อที่สามและข้อที่สี่คือสัมมารกรรมันโตการกระทําทางร่างกายและสัมมาวาจาการกระทําทางใจไอทางวาจาที่ถูกต้องนี่เราได้ปฏิบัติสามข้อแล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิข้อที่สองเราก็จะปฏิบัติต่อเนื่องจากที่เรามีข้อที่หนึ่ง แล้วข้อที่สองข้อที่สามก็ต่อเนื่องจากข้อที่สองวก่อนเราจะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนเมื่อเราคิดทาไม่คิดไม่ทำบาปเราก็รักษาศีลได้คิดทำบุญเราก็มาทำบุญกันได้หนี่ก็เลื่อนลงมาถึงข้อที่ห้าว่าต้องมีอาชีพที่ถูกต้องสามมาอาชีพหรอคยอาชีพที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง อย่าไปทำอาชีพที่ทำให้เกิดการเสียหายแก่ผู้เสียหายแก่ชีวิตของผู้อื่นเช่นขายอาของที่ต้องไปทำลายเช่นอาวุธต่างๆที่เอาไปใช้ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเครื่องดักสัตว์ต่างๆเบ็ดนี้เป็นการอาชีพที่ไม่ถูกต้องต้องละเว้นจากอาชีพเหล่านี้ เนี่ยสัมมาทิฏฐิก็พามาถึงข้อที่ห้าและข้อที่หกก็คือให้มีความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ในภารกิจที่ควรจะกระทานั่นเองก็คือขยันทำบุญขยันละบาปขยันกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจถ้าอยากจะชำระก็ต้องมาที่ข้อที่หกข้อที่เจ็ดแล้ว ม, มาข้อที่เจ็ดแล้ว จากข้อที่6คือมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทําบุญละบาปชําระใจให้ซาหก็ต้องมาข้อที่เจเพราะการชาระใจให้ซาหได้ก็ต้องมีสัมมาสติต้องมีสติการเราเลึกรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยเฉยพราะถ้าจิตไม่ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะว่างจะเย็นจะสบาย แล้วจะเข้าสู่ความสงบได้เวลาที่นั่งเฉยๆพอเข้าสู่ความสงบก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากการเสพกามนี่เองเสพรูปเสียงกลิ่นรสพทัพพะูสู้เสพความสงบไม่ได้พอเราได้พบกับความสงบที่เกิดจากการเจริญสติ จนใจเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิคือสักแต่ว่ารู้หยุดความคิดปรุงแต่งเป็นอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ได้พบกับพระนิพพานแล้วเป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าเป็นหนังตัวอย่างเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างหรือเป็นสินค้าตัวอย่าง เวลาที่บริษัทที่เขาจะจำหน่ายสินค้าให้กับคนบางทีเ็าต้องเอาตัวอย่างมาให้ลูกค้าชิมดูก่อนสัมผัสก่อนพอลูกค้าได้ชิมได้สัมผัสแล้วก็จะสั่งมาว่าต้องการกี่กี่โลกี่กี่ร้อยกล่องกี่พันกล่องก่อนที่จะสั่งนี้ต้องได้สัมผัสกักบสินค้าก่อนในสมาธินี่แหละก็คือพันธิพาลตัวอย่างนี้เอง เพราะว่ามันเป็นนิพพานชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิแล้วพระนิพพานก็หายไปหมดแล้วกิเลสตัณหาก็ออกมาเพ่นพ่านมาหลอกมาล่อให้ไปติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปถ้าอยากจะไม่ไปติดกับของกิเลสก็ต้องรู้ทันก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิอีกระดับหนึ่ง คือต้องรู้ทันว่าความสุขทางกิเลสตัณหานี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดนะเวลาได้เสพก็สุขดีแต่มันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเวลาเกิดความอยากจะเสพขึ้นมาใหม่แล้วไม่ได้เสพเวลานั้นแทนที่จะขึ้นสวรรค์ก็จะตกนรก อกนั้นกด้วยความทุกข์ทรมานใจที่ไม่ได้เศษสิ่งที่อยากจะเศษนี่คือสัมมาทิฏฐิขั้นสูงสุดคือต้องเห็นปลายลักนี่เองเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาไม่ใช่ทําให้เกิดความสุขการหยุดความอยากการไม่ทําตามความอยากต่างหาที่จะทําให้ความสุขที่แท้จริง กลับคืนมาคือความสงบของจิตใจนี่เองเวลาใจเกิดความอยากแล้วมันกระเพื่อมมันสั่นเหมือนกับน้ําที่ไม่นิ่งแต่เวลาไม่มีความอยากมันจะไม่กระเพื่อมมันจะนิ่งเหมือนน้ําไม่มีไม่มีคลื่นไม่มีการกระเพื่อมอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นสมาธิแล้วจะเห็นได้ชัด แต่ถ้าไม่มีปัญญามาสอนว่าตัวที่มาทําให้กระเพิ่มคือตันหาก็จะไม่รู้ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้มีพระพุทธเจ้าองค์แรกที่รู้ความจริงอันนี้รู้ว่าใจที่ออกจากสมาธิแล้วมากระเพื่อมก็เพราะว่าไม่สารวมไม่ควบคุมตันหาความอยากปล่อยให้ใจคิดเลือเล่อยเปื่อยพอไปคิดถึงเรื่องอะไรก็เกิดตันหาขึ้นมา คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดวิภวตันหาขึ้นมาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอเกิดความไม่อยากแก่เจ็บตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญามาพิจารณาว่าแล้วร่างกายนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรือไม่จะทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่มันก็ทำไม่ได้อยู่ดี แล้วไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปให้ทุกข์ไปเปล่าๆทำไมนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อที่จะมาหยุดให้หยุดไม่ให้ใจกระเพื่อมหยุดการกระเพื่อมของใจต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงสัก ว, วันหนึ่งมันกับเราก็ต้องจากกันไป เราสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปสั่งได้บางเวลาเวลาสั่งได้ก็ดีใจเวลาสั่งไม่ได้ก็โกรธเสียใจนี่แหละคือปัญญาที่จะต้องใช้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ว่ากับอะไรก็ตามกับลาบยศสรรเสริญกับลูกเสียงกินรสผล พ, พะต้องเห็นว่าเป็นตายลักษ์ทั้งหมด ร่างกายก็ต้องเห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นถ้าเกิดไปหลงร้าหลงรักกับร่างกายที่สวยงามก็ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นไม่สวยงามต้องมองเข้าไปในส่วนที่ไม่สวยงามอย่าดูแต่ส่วนที่สวยงามเพียงส่วนเดียวเพราะในร่างกายนี้มีส่วนที่ไม่น่าดูอยู่มากมายสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนลองเข้าไปดู ลองใช้เอกเดูไปสแกนซีทีดูก็ได้ก็จะเห็นอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าดูที่ศกก็ตกเวลาขับถ่ายออกมานี่จะวิ่งหนีกันหมดไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้นี่คือต้องพิจารณาอย่างนี้ถึงจะตัดตัณหาต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้นี่คือ ส, มสัออมราทาิตฐิอีกระดับหนึ่งนล้ ระดับสูงสุดตอนต้นการอาศัยสมาธิติระดับล่างเป็นตัวปธานำเป็นตัวนำสู่การเริ่มต้นของการปฏิบัติสู่การทำบุญละบาปสู่การชำระใจให้สะอาดพอเข้าสู่ขั้นของสมาธิแล้วผ่านสมาธิออกมาแล้วที่นี้ต้องเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาแล้วขั้นปัญญาแล้วตอนนั้นก็ต้องใช้สมาทิฏิอีกระดับหนึ่ง ก็เกิดต้องเห็นไฟลักษณ์เห็นนี่จังทุกขังอนัตตาทุกขังก็ต้องเห็นอริยสัจสี่เพราะทุกมันมีทั้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในนั้นถ้าเห็นครบถ้วนอย่างนี้แล้วก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปไม่ว่าใจนี้จะมีร่างกาย ของชาติใดภาษาใดเป็นเหมือนกันหมดจะเป็นใจที่มีร่างกายของชาวไทยของชาวจีนของชาวแคนของชาวฝรั่งหรือชาวอะไรก็ตามก็เหมือนกันหมดใจนี้ไม่มีเพศไม่มีไวไม่มีชาติไม่มีภาษาภาษาของใจก็อยู่ที่ที่ทธรรมะคือความเข้าใจหรือที่ความไม่เข้าใจ ความหลงผิดก็เป็นภาษาของใจความเห็นถูกก็เป็นภาษาของใจถ้าเห็นผิดก็จะทำผิดทำผิดแล้วก็ต้องรับผลของการกระทำผิดก็คือความทุกข์ต่างๆถ้าทำถูกก็จะได้รับผลของการกระทำที่ถูกก็จะได้รับความสุขต่างๆได้รับมรรคผลนิพพานในระดับต่างๆไปอยู่ที่การมี การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ดังนั้นการครบบัณฑิตจึงเป็นเรื่องสําคัญมากพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เป็นข้อแรกในมงค ล, ลสรสนัยว่าออาเซวนาจะบาลานังบันฑิตานันจะเซวนาเอตัมมังกัลมุมตัมมังการไม่คบคนพาหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่ง คนผ่านในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีมิจฉาทิฏฐินี่มีความเห็นผิดเห็นโกงจักเป็นดอกบัวอืเห็นว่าตายไปแล้วสูญอย่างนี้นี่เรียกเรียกว่าเรียกว่าคนผ่านต้องเข้าหาบัณฑิตที่เห็นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปคนที่เป็นบัณฑิต ของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองการที่เราเข้าวัดนี้ก็คือเพื่อเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราเข้าวัดแล้วไม่มีไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แสดงว่าเราเข้าผิดวัดแล้ววัดนั้นไม่ได้เป็นวัดของพระพุทธเจ้าเสียแล้วถ้าไปเจอวัดที่เป็นอ่าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายล็อกเก็ตมีขายพระพุทธรูป มีขายอะไรสารพัด ส, สารเเฟอันนี้ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะต้องมีมรรคที่เป็นองค์แปดคนที่เข้าวัดแล้วยังไม่รู้จักมรรคเป็นองค์แปก็จะเรยว่าไปผิดที่ไปผิดวัดเหมือนกับไปไปไปเติมน้ํามันแล้วไม่ได้น้ํามันไปได้น้ําเปล่าไปเติมแทนที่จะไปเอาเอาปั๊มน้ํามันใส่ ใส่ถังรถไปเอาเอาน้ำใส่ถังรถมันก็เลยวิ่งไม่ได้ไปไม่ถึงไหนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วไปไม่ถึงไหนก็แบบนี้แหละเพราะว่าไม่ได้รับน้ํามันนั่นเองเอาน้ำไปใส่ถังน้ํามันแทนรถมันก็เลยติดสตาร์ทที่ไรก็สตาร์ทไม่ออกปฏิบัติมากี่สิบปีก็เอาแค่พุทธภาณิชย์เป็นหลัก ขอเช่าพระอย่างเดียวพระรุ่นไหนออกมามีรุ่นไหนดีขอเอาหมดเนี่ยเนี่ยคือไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างแท้จริงไปเจอพุทธเทียมธรรมเทียมสงฆ์เทียมเสียแล้วเพราะว่าถ้าพุทธแท้แล้วจะไม่สอนอย่างนี้จะไม่มีการให้อวัตถุมงคลต่างๆจะมีแต่ธรรมะเพียงอย่างเดียว จะมีแต่สอนให้ทาบุญสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาแล้วก็จะจัดสถานที่ให้มีการได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จัดมหอรัศบันเทิงมาคอยต้อนรับมีลิเกมีภา พ, พยนตร์ดูฟรีเจ็ดคืนเจวัน นี่ไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของพระพุทธศาสนาแั้ววัดพระพุทธศาสนาต้องสงบร่มเรื่นปราศจากของยั่วยวนกวนใจต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆมีแต่การศึกษามีแต่การปฏิบัติอันนี้ถึงจะได้เข้าพบบัณฑิตอย่างแท้จริงถึงจะได้ เรียกว่าได้เข้าถึงที่พึ่งอย่างทแท้จริงได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างแท้จริงอย่างนั้นถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้คนที่ไม่ศึกษาก็ยังจะเข้าวัดอย่างนั้นอยู่เพราะคิดว่านั่นแหละคือการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่จิตใจไม่เคยเจริญก้าวหน้าเลยเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหรือดีไม่ดีอาจจะตกต่ำลงไปก็ได้ เราก็จะมาโทษในภายหลังว่าเข้าวัดแล้วไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเลยไม่รู้จะเข้าไปทำไมให้เสียเวลาบางคนก็ไม่กลับผ่านไม่เข้าวัดเลยก็มีเพราะว่าไม่ได้ไปเข้าวัดที่ที่ถูกต้องนั่นเองวัดที่แท้จริงไม่รู้ว่าวัดที่แท้จริงเป็นอย่างไรดังนั้นก็ต้องพยายามหาคบกับคนฉลาดคบกับบัณฑิต คนที่รู้ว่าวัดจริงวัดแท้เป็นอย่างไรแล้วให้เขาพาเราไปสัมผัสกับบรรยากาศของวัดจริงวัดแท้พอได้สัมผัสแล้วก็จะได้เข้าถึงที่พึ่งได้แต่ถ้าไปถึงแล้วกลับไม่ชอบกลับหวาดกลัวว่าวัดแบบนี้ไม่เอาดีกว่ามีแต่นั่งเฉยๆเงียบๆไม่เหมือนกับวัดที่เคยเข้าไปถึงมี มรรหเรสมมีอะไรต่างๆมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ชอบวัดที่แท้ก็ได้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างอย่างลึกซึ้งชอบของปลอมไม่ชอบของจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกปัทภปาลมะเนี่ยมีบัวสี่เหล่าบัวเหล่าสุดท้ายเนี่ย พวกที่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาก็จะเป็นแบบนี้พวกที่พอเจอของจริงแทนที่กับจะเกิดศรัทธากับไม่เกิดศรัทธากับชอบของปลอมยัขอให้เราสำรวจดูใจของเราว่าตอนนี้เรามีของจริงหรือของปลอมอยู่ภายในใจของเราถ้ามีของปลอมก็ควรที่จะปรับเสียควรที่จะกำจัดมันเสีย เราเอาของจริงเข้ามาด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ของพระสุปฏิปันโนหรือของพระพุทธเจ้าไว้อยู่เรื่อยๆแล้วจะได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องจะได้รู้จักมรรคแปดว่าเป็นอย่างไรจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรจะได้แผนที่ที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องต่อไปก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงและถาวรนต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาเบปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุนหังคิดเปเมวะสมิจตุสัะเพปุเรนตุสังกปาจันททปนาวะโสยะถามณิโชติ พระโสยะถาสภิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีลิษะนิจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวันโนสุขัง าาในลำดับต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่มีปัญหาที่อยากจะถามให้ได้ถามเพียงแต่ขอให้มาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ฟังเสียงคำถามได้ด้วย ขอเชิญถามได้เลยค่ะสวัสดีนามส ก, การพระอาจารย์สวัสดีผู้ศกษาธนิกชนุกท่านค่ะดิฉันชื่อบวราณีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสดีเพราะว่ามีกัลยะาณมิตรชักชวนให้มาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะเออที่อ่าเมื่อนั่งสมาธิไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ พุทธแท้พุทธเทียมค่ะซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็คือมีมีคนมาชักชวนให้เหมือนไปเข้าชมรมให้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้ธรรมะค่ะแต่ว่ามีข้อสงสัยแนละไม่แน่ใจว่าเราจะทราบได้ยังเราจะทราบได้ยังไงว่าสิ่งที่ชมรมนี้สอนเราอะค่ะเป็น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นพุทธแท้หรือว่าพุทธเทียมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความสงสัยในขณะที่เราไปปฏิบัติธรรมที่นี่อะค่ะจะเป็นบาปหรือไม่แล้วบุญที่เราเคยทําไปตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติธรรมในชมรมเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วพบว่าสถานที่นี้เป็นเ อ, อพุทธเทียมอะค่ะบุญที่เราทําไปนั้นจะสูนเปล่าหรือไม่ค่ะ บุญบาปที่เราทำเนี่ม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมันไม่ศู์ทำบาปอยู่ที่บ้านทำบุญอยู่ที่บ้านมันก็เป็นบุญเป็นบาปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีผลของมันตามมาช้าหรือเร็วเท่านั้นเองส่วนการอยากจะทราบว่าชมรมหรือสถานที่เราไปศึกษาปฏิบัตินั้นสอนตามความจริง ที่พระเจ้าส่งสอนหรือไม่เราก็ต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนคําสอนที่เป็นความจริงเมื่อกี้ก็ได้แสดงให้ฟังแล้วก็กคือมรรคแนี่ถ้าสอนไม่มีมรรคแปดเช่นสอนว่าไม่ตายแล้วสูญอย่างนี้ก็ถือว่าไม่จริงแล้วแต่ว่าถ้าตายแล้วต้องไปเกิดไปรับผลบุญผลบาปใหม่ แล้วถ้าปฏิบัติธรรมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะสามารถไปถึงพันิพานได้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้อันนี้ถึงจะถือว่าเป็นของจริงของแท้นั้นต้องให้ดูที่มรรคที่มรรค ก, ก็มีหลายลักษณะด้วยกันที่แสดงไว้นี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้แทนมรรค ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญา ท่านสอนให้รักษาศีลห้ศีล 8, ศีล 10, ศลสี 5, ส 8, ส 10, ส 7, แล้วแต่ฐานะของผู้ปฏิบัติสมาธิก็คือสอนให้ทาใจให้สงบปัญญาก็คือสอนให้ใจฉลาดให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรูบร้ว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรา ที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้นี่คือศีลสมาธิปัญญาส่วนอีกบางครั้งท่านก็สอนเรื่องทานศีลภาวนาอันนี้ก็มักแปดอีกในลักษณะหนึ่งท่านสอนให้ทานก่อนสำหรับผู้ที่ยังติดอยู่กับเรื่องเงินทองอยู่ยังต้องใช้เงินยังต้องหาเงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ท่านก็สอนให้ยุติการใช้เงินหาเงินเพราะมัน เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นความสุขปลอมแล้วให้มาบวชเนี่ยคือการให้ทำทานเนี้เพื่อให้ยุติการหาเงินใช้เงินเพื่อเราจะได้มีเวลามาบวชได้พอมาบวชเราก็จะามารักษาศีลได้แล้วก็มาภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองขั้นขั้นสมาธิและขั้นปัญญา ก็คือส ม, มาถาภาวนาก็ขั้นสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือขั้นปัญญาดังนั้นก็เหมือนกันที่ต่างกันเ็เพราะว่าเวลาผู้เจ้าทรงสอนพระที่บวชแล้วนี่ท่านไม่ต้องสอนให้ทำทานเพราะว่าพระไม่มีเงินทองเหลืออยู่แล้วพระได้จ่าได้ทำทานไปหมดแล้วก็เลยสอนให้รักษาศีลให้ภาวนาเกิด เจริญสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาตามมาดัางนั้นต้องต้องรู้อยู่ว่านี่คือแนวทางของการปฏิบัติถ้าไปเรียนที่ไหนแล้วเขาสอนไม่ถูกตามแนวทางซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มีบ้างแต่จะว่าผิดโดยตรงหรือไม่นี้ก็แล้วแต่เพราะบางแห่งก็สอนว่าไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธิกัน เราะว่าให้วิปัสสนาให้ใช้ปัญญาเลยอันนี้ถ้าไม่ถ้าปฏิบัติโดยไม่มีสมาธินี่ถือว่าไม่มีวันที่จะได้รับผลอย่างเพราะปัญญาที่แท้จริงจะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นขอให้เราศึกษาจากพระไตรปิฎกบ้างคำสอนพระสูตรหลัก ที่มีอยู่ไม่กี่พสูตรที่ควรจะศึกษาก็คือหนึ่งทำรรมจากกัปปวัตตนสูตรที่จะแสดงมรรคแปแสดงอริยาศาศาสัจสี่แล้วก็ศึกษาสติปัฏฐานสูตรที่จะสอนวิธีเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาสอนวิธีเจริญสติแล้วก็ศึกษามงค ล, ลสูตรมงคล38มสปประการ เริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพาลคบบัณฑิตจนไปถึงการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอย่างยิ่งเนีย่ยรู้แค่สามพระสูตรนี้ก็จะไม่หลงทางถ้าใครสอนอะไรที่มันไม่อยู่ในพระสูตรเหล่านี้ก็ควรที่จะสอบถามให้ก็อธิบายให้แจ้งชัดว่ามันมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนให้ทำอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวผู้รู้ผู้ การจะศึกษาต้องกล้าถามอย่าเพียงแต่ว่าขอให้ถามเพื่อแสวงหาความรู้จริจรงๆอย่าถามเพื่อที่จะจับผิดของผู้ที่เขาสอนอเข้าใจได้ยังสาธุขอบคุณาอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหมเมื่อกี้ทางนี้มี อ, อาจารย์ จะสอบถามเกี่ยวกับไปปิดไหมเนี่ยเปิดไหมก่อน เ, ดดเมื่อกี้มันเปิดอยู่คุณไม่ปิดมันนมัทรค่ะจะขอสอบถามเกี่ยวกับสัมมามอาชีพพูดดังๆหน่อยจะสอบถามเกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีพอะค่ะพอดีปัจจุบันเนี้ยทํางานที่เกี่ยวกับ อ, อการขายสินค้าเนื้อไก่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัมมาอาชีพแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเลิกได้อ่ะค่ะ ยังจำเป็นต้องทำไปก่อนทีเนี้ยจะทำยังไงเพื่อให้ลดบาปที่ได้จากอาชีพได้บ้างคะก็อย่าไปทามันด้วยให้ไปทำมันทามันก็ต้องแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้ทำเองไม่ได้สั่งให้เ้าทำเราก็ยังไม่ถือว่าบาปเช่นสมมติว่าเราขายข้าวมันไก่แล้วเราไปซื้อไก่ที่ตลาด แต่เราไม่ไปสั่งคนขายไก่ว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่สี่ตัวเราไปถึงก็ไปที่ค้าที่ก็าขายแล้วถามว่ามีไก่ไ้ยวันนี้ถ้ามีก็ซื้อมาถ้าเป็นไก่ตายแล้วซื้อมาถ้าอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนว่าพรุ่งนี้เอาไก่สี่ตัวนะอย่างนี้ถึงจะบาปถ้าเราอยากจะได้บุญไม่อยากจะรับผลบาปเราต้องกล้าที่จะไม่ทาบา เราอย่าไปกล้าทาบาปแล้วมากลัวรับผลบาปเข้าใจไหมนะเพราะว่ามันเด็กเลี้ยงไม่ได้เหตุกับผลมันไปด้วยกันเหมือนกับเราไม่กล้าทาผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะเรากลัวติดคุกติดตารางกันชันใดก็แบบเดียวกันเราก็ต้องกลัวที่จะต้องไปเกิดในอบายกันการทำบาปนี้มีที่ไปเพียงแห่งเดียวเท่านั้นก็คืออบายสี่เดระชานเปรตอสุรกายและนรก ดัน้นพยายามสร้างความกลัวบาปให้เกิดขึ้นมามากๆเพื่อจะได้เลิกทําบาปได้ถ้าเราไม่อดอยากขาดแคลนเราไม่ถึงกับลําบากลําบนย้ายเปลี่ยนหน้าที่อื่นได้ก็เปลี่ยนไปดีกว่าเพราะว่าการทําบาปนี้มันได้ไม่คุ้มเสียได้ความสุขเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันแต่ตายไปต้องไปเป็นเวลาชฉานไม่ดีเลยสู้ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ดีกว่า ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าเราทำบุญด้วยเราก็จะได้ไปรับรางวัลไปเป็นเทพก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ดัน้นเราต้องมองผลที่จะเกิดจากการกระทาของเราผลที่สำคัญอย่ามองผลที่ไม่สำคัญคือความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้กินอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีเงินเที่ยวมีเงินซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆ แต่มันเป็นความสุขพอมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาเวลาที่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความกลัวที่จะทำบาปแล้วเราจะเกิดความกล้าที่จะเลิกทำบาปได้ต่อไปสาธุเด็กไหมมี กับธรรมศาสการพระอาจารย์ครับพอีอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายว่าในการปฏิบัติภาวนาเนี่ยถ้าสมมติในการนั่งสมาธิในการนั่งขัดสมาธิแล้วมันเกิดเวทนาทางกายมากเนี่ยถ้า เ, าเลี่ยงด้วยการไปนั่งเก้าอี้แทนเสียหรือว่ า, าด้วยอริยาบทอื่นใดเนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติก้าวหน้าล่าช้าลงไปหรือว่าอย่างไรไหมครับขอความเมตตาด้วยครับ คือการภาวนาในเบื้องต้นนี้เราต้องการทำให้ใจสงบให้รวมเข้าไปเป็นอุเบกขาซึ่งเหตุที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบนี้ได้อยู่ที่สติถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องนั่งเพียงหนาที10บนาทีจิตก็รวมได้โดยที่ไม่ต้องผ่านทุกเวทนานั่งอยู่ในท่าไหนก็ได้สำคัญอยู่ที่สติ ไม่ได้สำคัญอยู่ที่ท่านั่งเพราฉนั้นถ้าเราอยากจะไม่ต้องผ่านเวทนาเราต้องการที่ให้จิตรวมอย่างรวดเร็วเราต้องฝึกสติอย่างต่อเนื่องให้มันมีสติอย่างต่อเนื่องได้สักห้าหรือสิบนาทีเวลาที่เรานั่งคืออยู่กับพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยหรือดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เลย ภายในห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ผ่านทุกขเวทนาไม่ต้องไม่ต้องเจอทุกขเวทนาได้ดังนั้นถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบแบบนี้ก็ต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยเดี๋วดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดทุกอิริยาบทไม่ปล่อยให้ใจไปที่อื่นเลย ถ้าทำอย่างนี้เวลานั่งสมาธิสติมันจะต่อเนื่องแล้วจิตก็จะรวมอย่างรวดเร็วนี่เป็นขั้นแรกคือต้องการได้สมถะได้สมาธิแต่ขั้นที่สองนี่เราต้องการเจอมันเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้คือความเจ็บของร่างกายเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน ถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทรมานใจเรายังจะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เราก็จะกลัวมันแต่ถ้าเราฝึกนั่งให้มันเจ็บเจ็บแล้วเราใช้ปัญญามาแก้หรือท่านต้นถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สมาธิแก้ก่อนก็ได้ใช้สติแก้ก็ได้ เช่นสมมุติเวลาเจ็บเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอยากไปสนใจกับความเจ็บให้มันติดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ไปรับรู้เรื่องความความเจ็บเดี๋ยวจิตมันก็เข้าสู่ความสงบได้โดยที่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บขอ ง, งร่างกายแต่นี่มันเป็นวิธีแก้แบบชั่วคราวทุกครั้งเวลาเจอความเจ็บก็ยังจะกลัวมันอยู่ยังต้องหนีมันอยู่หนีด้วยการบริกรรมพุทโธอยู่ถ้าเราอยากจะแก้แบบถาวรก็คือ แกที่ความกลัวเราต้องไม่ไปกลัวความเจ็บเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่น่ากลัวตัวที่น่ากลัวคือความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความเจ็บ <laughs> อันนี้เราไม่เห็นตัวนี้ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไม่กลัวความเจ็บแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจแล้วเมื่อเราไม่มีความทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บงั้นเวลามันเจ็บเราต้องใจดีสู้เสือเข้าใจไห นั่งนั่งอยู่กับมันไปสอนใจให้อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีจากความเจ็บนี้บอะว่าความเจ็บนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเราอยู่กับมันได้สิ่งที่เราอยู่กับมันไม่สิ่งที่เราอยู่ทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความกลัวความเจ็บของร่างกายหรือความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเราต้องอย่าให้ตัวนี้เกิดขึ้นมานี่คือ Ms. อริยสัจเห็นอริยสัจ เนี pues, ่ยถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปก็ต้องพิจารณาว่าความเจ็บนี้เป็นเหมือนกับลมที่พัดอยู่อย่างนี้เราไปสั่งให้มันหายไปไม่ได้เมื่อมันจะเจ็บก็รับรู้มันไปเท่านั้นเองเหมือนกับตอนนี้ลมมันจะพัดก็รับรู้มันไปไม่ต้องไปสนใจอย่าไปอยากให้มันหายไม่ต้องไปกลัวมัน ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดอันนี้เป็นวิธีแก้แบบวิปัสสนาหรือปัญญาถ้าแก้แบบนี้ได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวด่วยไม่ต้องกินยาแค่ปวดนะไม่ต้องหาหมอก็ได้ปล่อยให้มันตายก็ได้พอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีหาหมอหายาหาโรงพยาบาลมันก็เพียงแต่ประวิงเวลาไว้หน่อยน่นี้แต่ในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกัน แต่ถ้าเราพร้อมที่จะให้มันเจ็บพร้อมที่จะให้มันตายแล้วมันก็ไม่มีปัญหารักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้มีเงินรักษาก็รักษากไม่มีเงินกลับไปลองรักษามันนี่คือวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวอนกราบนรัมธการพระเดชคุณพระอาจารย์ด้วยความครบยิ่งนะครับ กระผมมีปัญหาอยู่สองข้อนะครับอยากจะถามนะครับปัญหาข้อแรกคือตัวกระผมนั้นได้มีกัญญรามิตรด้วยกันถกปัญหาปกติแล้วก็จะเป็นผู้นําบุญนะครับบุญที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นช่วยสองข้ออนุเคราะห์ช่วยกันแล้วก็เรามาถกปัญหากันว่าทํายังไงเนาะถึงจะไปที่ที่สุดแห่งทําได้เป็นสภาวะาทำที่รู้แจ้ง เลยเพื่อนคนนี้ก็คุยกันบอกว่าชาติธรรมผือพระนิทับใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่เป็นคารวะทำพระนิพพานให้แจ้งคือรู้จักสภาวะที่เป็นจริงรู้แจ้ ง, จงเห็นจริงแล้วถ้าไม่ออกบวชอยู่เป็นคารวะและของเหลือนนั้นและผู้ที่ของเหลือนนั้นจะเป็นญาติอสนิทมิสหายหรือลูกเจ้ากระดีจะเป็นบาปอย่างนี้ เอผมเองก็ยั ง, งงงอยู่ว่าจริตถ้าเกิดไ่ออกบวชแล้วก็จะต้องตายไวเพื่อนว่างั้นนะประเด็นไคุณหลวงพ่อช่วยอธิบายนะครับอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการบรรลุเป็นต้าอาหารหังเป็นพระ น, นิพพานนี้เป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่ร่างกายร่างกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นพระ อาหารแต่อย่างใดจะตายเพราะไม่ได้บวชการบวชก็ไม่ได้ไปแก้ไม่ให้ร่างกายตายจากการเป็นภาหารมันไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นมันไม่เดี่ยวกันเพียงแต่ว่าเขาไปได้ยินได้ฟังเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้เขาสรุปเอาอย่างนั้นเองเช่นมีชายคนหนึ่งได้ไปกราบถามพระพุทธเจ้าขอธรรมะในขณะที่ทรงเดินบิณฑบาต พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาไม่เหมาะต่อการสั่งสอนเขาก็บอกขอขอให้สรุปเอาเอายอดของพระธรรมก็นแล้วกันว่าต้องปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เธอสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าเธอจะเห็นจะได้ยินจะรับรู้เรื่องอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้คือให้รู้แล้วปล่อยวางรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปมี ปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารับรู้คือไม่ให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงพอเขาได้ยินถึ่งนั้นเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ขออนุญาตไปเตรียมอัฐบริขารเพื่อจะมาขอบวชเป็นพระในระหว่างทางที่ก็เดินทางไปนั้นเขาถูกกระทิงขวิดตายพระพเจ้าทราบข่าวก็บอกให้ทาชาปนกิจ แล้วก็อให้เก็บอัติไว้ในพัะสถุคือให้สร้างเจดีบรรบรรจุก็แสดงว่าผู้ที่จ ะ, จะบรรจุอัติในเจดีนี้ต้องเป็นพาาาระอรหันต์นี่ก็เลยเป็นประเด็นว่านี่บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์แล้วแต่ไม่ได้บวชก็เลยต้องตายนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือ พระพุทธเจ้าไปโปรดพระราชบิดาตอนที่ทรงประชวนหนักใกล้จะเสด็จสวรรคตก็ทรงสอนให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตก็เลยเอาข้อนี้มาอ้างว่าเนี่ยพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็อยู่ได้เพียงแค่เจ็ดวันเพราะไม่ได้บวชความจริงเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะว่ากําลังป่วยหนะัก ไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ามาสรุปเอาเองมาเชื่อกันเอาเองว่าอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นมาในพระไตปรปิฎกไม่มีที่ไหนพูะเจ้ากล่าวไว้ว่าพอเธอเป็นพระอรหันต์แล้วเธอต้องรีบบวชให้ทันก่อนเจ็ดวันนะไม่เช่นนั้นเธอจะตายไม่มีคำพูดเหล่านี้อยู่ครับสาธุสาธุสาธุครับ การัญยาลิขิตเขาพูดคนเน้นว่าในกรณีที่คลองเดือนนั้นถ้าผู้หนึ่งผูดด้ใดรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมแล้วแล้วไม่ถึงว่าบุตรทิดาหรือภรรยาก็ดีจะพูดเรื่องเกินนี้จะเป็นบาปแก่ผู้นั้นเขาว่าอย่างนี้นะครับไม่บาปหรอกถ้าก็ไม่รู้เราจะไปบาปได้ยังไงถ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นผ้าละหันเขาก็คิดว่าเป็นผัวเป็นพี่เป็นน้องเขาก็เล่นกันไปพูดกันไปตามภาษาของเขา รหรือแม้แต่สา ม, มเณรที่บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์พระก็ยังเรียกสา ม, มเณรมาใช้ได้อยู่เนนมาทําำนี่ให้หน่อยเลยเนนมาประเคนของให้หน่อยสิอย่างนี้บาปหรือเปล่าไม่บาปอ่ะกับษาถูกกับษาถูกครับแล้วมีอีกข้อหนึ่งครับขอกระเนถามกับรัมการพระอาจารย์ครับคําว่าใจพบกรพมอภุกรรมอภุดรูปภพปอารมณ์ภพน้อกรมอภุบ พ, บพอจะเข้าใจนะครับและรูปภพกับรูปภพ นั้นไม่ค่อยเข้าใจนะครับขอความอธิบายสักครั้งนะครับก็การมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังต้องเสพกามอยู่ยังมีกามาตัณหาอยู่ยังต้องเสพกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่ว่าจะเป็นหยาบหรือละเอียดหยาบก็พวกมนุษย์กับพวกเทวดาไอพวกมนุษย์กับพวกเดราชานี้ต้องมีร่างกายส่วนพวกกายทิพย์นี้เขาเสพรูปที่ละเอียด เช่นเทวดาทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้ที่อยู่ในในกามาพบส่วนผู้ที่ไปอยู่รูปประพบก็คือผู้ที่ได้รูปประชานทั้งสี่นั่นเองผู้ที่นั่งสมาธิแล้วจิตสงบความสงบของจิตในรูปประชานก็จะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพมแล้วถ้านั่งสมาธิแล้วให้จิตสงบลึกไปกว่ารูปประชานก็คือเอารูปประชานทั้งสี่ ก็จะขึ้นไปสู่ชั้นพรมโลกอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าอรูปะอรูปะพบก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่สําเร็จอ uh, ร uh, ูปประชานรูปประพบก็ค le> ือผู้ที่สําเร็จรูปประชานการมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังติดกรรมอยู่สาธุสาธุครับแค่นี้ เกีกับเรียนสอบถามพระอาจารย์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสมมติเป็นคนที่ทำเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเขาก็จะมีเวลากเกษียณของเขาว่า60โอเคหลังจาก60เขาก็จะมีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่สำหรับคนที่นี้เขามีความคิดว่าเขาอยากจะ e a r ร y r e t i r ทะคะ่ะที น, นี้ไม่แน่ใจว่าคืน สำหรับคนที่มีความคิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากจะเรียนถามขอความรุรนาพระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำว่าจุดที่ที่เขาควรจะทบทวนว่าเขาควรจะออกปฏิบัติเนี่ยค่ะก่อนที่เขาจะจะเกษียณเนี่ยค่ะอะไรที่จะเป็นเป็นเกณฑ์ในการที่จะให้เขาใช้ตัดสินใจได้เพราะว่าการที่ออกจากงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมามาปฏิบัติอย่างนี้ค่ะ มันอาจจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่า เ, ออเขาอย่างออพอออกมาแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังยังไม่สมควรที่จะออกมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือมันก็มีสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญมนานุสสติอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาว่าความตายนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที ไม่มีใครจะไปรับประกันได้ว่าจะอยู่ถึงหกสิบหรืออยู่หลังหกสิบอาจจะตายก่อนหกสิบก็ได้อาจจะตายในวันสองวันนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ถ้าเราจเจริญมรณะนุสติอย่างนี้ก็จะทําให้เราไม่ประมาทเราก็อาจจะคิดว่าเวลาเรามีเหลือน้อยเราจะมาห่วงกับเรื่องการหาเงินหาทองเพื่อหาความสุขปลอมนี้ทําไม เราไม่เอาเวลามาหาความสุขจริงกันไม่ดีกว่าเลยถ้าเรามีมรณานุสติที่ที่แรงมันจะเป็นตัวผลักให้เรารีบออกปฏิบัติส่วนจะปฏิบัติเต็มรูปแบบได้หรือไม่นี้ก็ขึ้นอยู่ทมที่เราได้พัฒนาขึ้นมาว่ามีกําลังพอที่จะส่งเราใหป้ปฏิบัติได้เข้มข้นหรือไม่ ถ้ายังไปไม่ไหวยังกลัวความทุกข์ยากลําบากกลัวอดข้าวเย็นกลัวอะไรอย่างนี้อยู่ก็ต้องปฏิบัติในขณะนี้ไปก่อนอเพื่อให้สร้างเกิดให้มีกําลังขึ้นมาพอมีกําลังที่จะปฏิบัติได้เต็มรูปแบบแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติแต่อาจจะต้องลดการทํางานลงไปเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้น อาจจะลาออกจากงานแต่ยังไม่ไปบวชไม่ไปอยู่วัดไปหาที่สงบอยู่คนเดียวฝึกของเราไปก่อนชนะบ้างแพ้บ้างออก็ทำไปก่อนพอเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบแล้วเราก็ไปอยู่วัดไปบวชคอันนี้อีกคำถามนึ่งนะคะสำหรับคนที่เขาเป็นหัวหน้า ง, งานนะคะคือถ้าสมมติเขาถ้าเขามีลูกน้องซึ่งเขาพิจารณาแล้วว่า คนคนนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับงานหรือตำแหน่งที่มีอยู่แล้วเขามีความคิดว่าอยากจะอยากจะให้พนักงานคนนี้ออกเงี้ยค่ะทีนี้ตรงนี้อยากจะถามว่าในในส่วนของการทำหน้าที่หัวหน้าเขาก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของของการทำหน้าที่แต่แต่ในเรื่องอีกอีกทางนึงก็ไม่ไม่แน่ใจว่าการที่ให้คนคนนึงออกจากงานเพราะว่าเขาไม่สัอเขาจะทำให้เขาหมดอาชีพหรือเขา อาจจะหางานลำบากอย่างนี้หาตรงนี้จะจะถือว่าเป็นเป็นบาปหรือว่าจะยังไงบ้างคะ่ะคือมันก็อยู่ที่จิตสํานึกของหัวหน้าว่ามีความเมตตามากหรือน้อยคิดถึงหัวโ อ, อกเขาหัว อ, อกเรามากหรือน้อยอยู่ที่ว่าเขาจะเอาอันไหนเป็นประเด็นสําคัญถ้าจะเขาเอาประเด็นเรื่องของการงานเป็นประเด็นสําคัญโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเขาทําไปเขาก็จะ เป็นการเบียดเบียนหรือสร้างความทุกข์หรือสร้างเวรสร้างกรรมได้เพราะผู้ที่เขาเดือดร้อนเขาอาจจะโกรธเกลียดได้และอาจจะจองเวรจองกรรมกันได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลคือมองหลายหลายแง่หลา ย, ายมุมมองทั้งผลงานมองทั้งความเดือดร้อนของเขามองทั้งดูเหตุการณ์ว่ายังพอที่จะให้เขาทํา ต่อไปได้ไหมทำแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ยังไม่ถึงกับเกิดความเสียหายก็อาจจะให้ความเมตตากับเขาหรืออาจจะคุยคุยกันแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนว่าส ถ, ถานการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องขอร้องให้เขาช่วยปรับปรุงตัวเขาเองคือให้อกาสให้เวลาให้มีเหตุให้มีผล อย่าใช้อำนาจบาดใหญ่ว่าเราเป็นเจ้านายพอเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็จะไล่เขาออกอย่างนี้<ะ>ถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกับคนที่ร้อยความเมตตา<ะ>ก็จะต้องไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้กับตนเองสักวันหนึ่ง<ะ>สักวันหนึ่งก็จะมีคนที่ก็เป็นเจ้านายเราทาอย่างนี้กับเราบ้างแต่ถ้าเรามีความเมตตามีความอารมณ์มั่นเอย เราก็จะไปเจอคนที่มีความเมตตากับเราในอนาคตได้เพราะทำอะไรกับใครมักจะกลับมาหาเราขอบคุณเจ้าค่ะต่อไปนี้ก็เป็นคำถามจากอินเทอร์เน็ตครับต่อไปต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามแรกจากคุณธีรพัฒนะครับ หากเวลาเกิดอุบัติเหตุถึงความตายในขณะไม่ได้ภาวนาหรือหลับผู้นั้นจะไปสู่สุคติหรือทุขติภูมิตามบูมที่สะสมไว้อย่างไรมันจะไปเป็นอัตโนมัติบุญกรรมที่เราทำไวนี่มันจะมาทำหน้าที่ทันทีไม่ต้องกลัวคำถามข้อต่อไปจะคุณอาชานะครับ ลูกอยากสอบถามว่าในสังคมที่ทุกคนมองแต่โทรศัพท์กดๆจิ้มๆโดยไม่สนสังคมรอบข้างลูกควรปรับตัวอย่างไรกับสภาพแวดล้อมแบบนี้เพราะลูกเห็นแล้วเกิดความอึดอัดในใจความจริงมันก็ดีไปอย่างต่างคนต่างไม่ยุ่งกันเพียงแต่ว่าอย่าอย่าทำอย่างนี้จนกทั่งลืมมองความเดือดร้อนของผู้อื่นเท่านั้นเองถ้าเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นก็ควรที่จะมีความเมตตากราุณา ช่วยเหลือกันแต่ถ้าทำอย่างนี้มันก็ดีต่างคนต่างจิ้มกันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันคำถามข้อต่อไปจากคุณจิตลาดานะครับคนที่ขาดสติที่เขาเรียกกันว่าคนบ้านั้นหากพูดจาและการกระทำไม่รู้จักคุณพ่อแม่เขาจะเป็นบาปไหมและเขาต้องรับ ผ, ผลกรรมที่ทำร้ายใจพ่อแม่ไหม เงื่อนไขตรงที่เขาบ้าจะมีส่วนตัดสินบาปบุญด้วยหรือไม่อยู่ที่เขามีเจตนาหรือไม่ถ้ามีเจตนาก็ถือว่าบาปเช่นเวลาที่ลูกแกโ่โธ่สะโกรธพ่อโกรธแม่แล้วก็ทำร้ายพ่อแม่เนี่ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วแต่มีเจตนาอยู่ถ้ามีสติก็จะยับยัง้งการกระทำได้ เรื่องการมีสติไม่มีสติไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญในที่นี้อยู่ที่ว่ามีเจตนามีความตั้งใจจะทํำลายผู้อื่นหรือไม่คําถามข้อต่อไปจากคุณกรช น, นกนะครับช่วงนี้รู้สึกท้อแท้กับแผนการออกไปเป็นมืออาชีพมากๆเนื่องจากคุณแม่ไม่มีไรายได้และในการรักษาพยาบาลต่างๆก็ต้องจ่ายเองจึงเป็นเหตุว่าในการเตรียมตัว พอเตรียมส่วนของเราก็ต้องเตรียมส่วนของแม่ด้วยและถ้าหากอยากออกไปเป็นมืออาชีพก็อาจต้องรอให้หมดห่วงจริงๆก่อนจึงทําให้จิตหดหูมากๆเลยไม่ทราบว่าจะวางใจอย่างไรดีเพราะโยมกังวลและหดหูมากก็ขอให้ทําใจเป็นอุเบกขาคือยอมรับสภาพของเราไปก่อนว่าเหมือนกับเราขับรถอยู่ที่ใต้ทางด่วนเรายังไม่มีเงินจ่ายค่าทางด่วน เราก็ต้องขับอยู่ชั้นล่างไปก่อนเราก็ต้องขยันเก็บเงินเก็บทองไปททละเล็กเท่าน้อยพอเรามีเงินจ่ายค่าทางด่วนเราก็จะขึ้นทางด่วนได้ตอนนี้บุญของเรายังมีไม่มากพอแต่ยังปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญายังไม่มากพอมันก็เลยไม่สามารถที่จะดันให้เราออกไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องยอมรับสภาพของเราไปก่อนอย่าไปโทษคนอื่น โทษบุญกรรมของเราว่านี่แหละมันเป็นบุญผลที่เกิดจากการทําบุญทําบาปของเรามามันจึงทำให้เราอยังอยู่ในสภาพนี้อยู่ถ้าเราอยากจะให้พ้นจากสภาพนี้ไปเราก็ต้องเร่งความเพียรพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นการเจริญสติก็ น, นี้ก็เจริญได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราทำอะไรตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนระหับ ขอให้ยึดตัวนี้เป็นหลักถ้าอยากจะให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าขอให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆท่องพุโทโธก็ได้ใจจดจ่ออยู่กับการกระทําการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เกิดอารมณ์ท้อแท้เบื่อหนายอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ถ้ามีสติคุมไว้แล้วอารมณ์ต่างๆมันจะหายไปแล้วมันก็จะพอใจกับสถานภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนคําถามข้อต่อไปจะคุณจ้าบนะครับลูกชอบทําบุญให้ทานกับวัดเด็กคนยากจนทั่วไปเพราะคิดว่าถ้าวันนี้ตายไปจะไม่ได้ทำเพราะไม่มีลูกไม่มีสามีมีแต่พ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ไม่อนุโมทนาด้วยบอกว่าคนเรากว่าจะตายไม่ใช่ง่ายๆกลัวจะไม่มีกินตอนนี้รักษาศีลฟังธรรม และปฏิบัติภาวนาที่บ้านตามกําลังแบบนี้ถือว่าติดบุญหรือเปล่าคะบุญนี้ติดได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนคนติดยาคนไม่สบายต้องติดยาถ้าไม่ติดยาโายครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานต้องติดบุญคําถามข้อต่อไปจากคุณประาวีนะครับถ้าเราติดหนี้เขาจะบาปเหมือนลักทรัพย์ไหม รู้ว่าเจ้านี่ต้องการทวงถามแต่ไม่จ่ายมีสองแบบจะบาปเท่ากันไหมคะคือทางานงกงกหาเงินใช้หนี้กับไม่ตั้งใจทำงานคิดว่ามีหนี้เยอะทำไปก็ไม่พอจ่ายท้อหยุดงานบ่อยโดนหักเงินมากเงินก็ได้น้อยไม่พอใช้หนี้สักทีเวลาไปสร้างหนี้ไม่รู้สึกท้อเลยนี่ พอจะใช้นี่คำตออย่างนี้มันเรื่องเอาลัดออกเปรียบค้ากำไรเกินควรอ่าคำถามข้อต่อไปจากคุณวะไลนะครับการนั่งสมาธิหลังจากจิตสงบนิ่งลมหายใจไม่มีแต่มีรู้อยู่เสมอได้ยินเสียงทุกอย่างนิวรณ์ทางกายไม่มีหลังจากนี้จะพิจารณายังไงต่อคะ หรือดูความว่างไปเรื่อยๆให้ประคองให้มีสติรับรู้กับความว่างไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะถอนออกมาคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วก็เป็นเวลาที่เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาเจริญปัญญาต่อให้พิจารณาคิดเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะกับสิ่งที่เรารักเราหวงเรารักใครเราต้องพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกัน ถ้าคิดบ่อยๆแล้วเราก็จะคลายความรักความหวงได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาต้องจากเราไปต่อไปแต่ต้องทำหลังจากที่จิตออกจากความว่างแล้วขณะที่จิตอยู่ในความว่างอย่าไปทำอะไรกำลังชาร์จแบตอยู่กำลังชาร์จกำลังใจคืออุเบกขาอยู่งั้นอย่าไปทำอะไรตอนที่ว่างปล่อยให้ว่างให้สงบให้เย็นให้สบายไปให้นานๆ แล้วจะเป็กกำลังสนับสนุนในการปล่อยวางต่อไปได้คำถามข้อต่อไปจากคุณดารลักษ์นะครับเห็นชีวิตน่าเบื่อนายมีแต่ทุกข์รู้สึกกลัวที่จะเกิดอีกกลัวที่จะต้องมาเจอทุกข์อีกแต่การปฏิบัติภาวนาของตัวเองถูกกิเลสดึงไปบ่อยๆคงไม่พ้นในชาตินี้ขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะก็ให้ปฏิบัติไปเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ กลัวหรือไม่กลัวมันก็ไปห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดมา้มันก็จะต้องเกิดสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือการปฏิบัติของเราดนั้นขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติแล้วต่อไปมันก็จะสาเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นคำถามข้อต่อไปจากคุณหญิง n อทนะครับ ถ้าผู้เป็นแม่ทำบุญมาและอยากให้ผลบุญนั้นกับลูกๆรวมถึงคนในครอบครัวจะอธิษฐานจิตหรือกล่าวอย่างไรหรือต้องปฏิบัติอย่างไรให้ผลบุญนั้นถึงลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่บุญใครบุญมันเหมือนกับกินอาหารใครกินใครก็อิ่มใครไม่กินใครก็ไม่อิ่มจะเอาความอิ่มมาแบ่งให้คนที่ไม่กินมันเป็นไปไม่ได้ เช่นโยนไปรับประทานอาหารที่ร้านมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปกินอาหารอิ่มแล้วเอาความอิ่มมาฝากคุณ <c oughs> คุณจะอิ่มตามเว่าเั้นของใครของมันต้องทํากันเองเรื่องบนนี้ต้องทากันเองเหมือนกับการรับประทานอาหารต้องรับประทานกันเองถึงจะอิ่มคําถามข้อต่อไปจากคุณสุธาทิพย์นะครับการที่เราทําบุญแล้วเราชอบพูดว่า ให้กุศลผลบุญนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรในเมื่อเจ้ากรรมนายเวรเป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดว่าอะไรหลังจากทำบุญแล้วทุกครั้งก็พูดว่าขอให้ทำอย่างนี้ต่อไปทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นครับมีคุณต้นน้ำสงสัยมานะครับว่าพระอาจารย์วันชัยนะครับกับพระอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านใดพรรษามากกว่ากันครับ ถ้าเราจำไม่ผิดเรารู้สึกว่าจะปรรษามากกว่าท่านสองปรรษาคำถามที่เหลือขอยกไปพรุ่งนี้นะครับท่านใดมีใครอยากจะถามที่นี่อะไรนี้หน่อยขอกาบธรรมสการพระอาจารย์ุสชาถ้าน้อยมีปัญญาไมนอะอยู่น้อยนิดจะอยากถามก็จะถามหลายครั้งแล้ะแต่ก็ไม่กล้า การภาวนาเนี่ยยมเคยภาวนาเมื่อก่อนก็ดีมากนะคะแต่ตอนนี้สมาธิสเสื่อมแล้วก็ไม่มีพลังอะไรพระอาจารย์เวลานั่งภาวนาลงไปนี่มันจะคิดคิดคิดคิดไม่รู้มาจากไหนความคิดหยุดไม่ได้แล้วครูบาอาจารย์เคยบอกว่าให้ดึงกลับมาอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ โยมก็เลยฝล่อยให้มัน ค, ค, คิดคิดคิดไปคิดจนกว่าไม่มีที่จะไปก็เลยรวมสมาธิก็เลยมา <c oughs> แล้วอย่างงี้โยมจะภาวนาอย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะต้องหยุดครัอาจารย์ก็ขอดูที่ขอนกันลกันทําอย่างไรที่ทําให้มันสงบให้มันรวมได้ก็เอาอย่างนั้นนะแล้วยมก็จะถามอีกเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนโยมมีปัญหากับสามีแล้วก็เขาไปมีผู้หญิงใหม่ โยมก็เคยอาฆาตเขาอย่างหนักเลยเคยจะเอาปืนไปไล่ยิงแต่ตอนนี้โยมก็เห็นเข้าไปแล้วก็นานแล้วก็รู้สึกดี <c oughs> ก็เลยบอกดีเหมือนกันนะที่ไปทีนี้เลยไปทางภาวนาว่าอย่างนี้แล้วที่โยมว่าเขาเอาไว้เยที่แล้วมาโยมจะเป็นบาปมากไหมอาจารย์ตอนนี้โยมอโหสิเขาแล้วอะไรที่ทําไปแล้วมันก็เป็นเป็นเหตุที่ ต้องเกิดขึ้นไปตามตามเหตุตามผลของมันถ้าเราไปทำร้ายเขาหรือไปพูดร้ายกับเขามันก็ถ้าเป็นบาปมันก็เป็นบาปแล้วแต่ไม่ต้องไปกังวล น, นะเพราะว่าเราก็ยังทำกันอยู่ทุกวันอยู่ดีเพียงแต่ว่าขอให้เรามีสติคอย ห, หักห้ามจิตใจแล้วก็ทำให้มันน้อยลงไปแล้วพยายามทำบุญให้มากขึ้น ถ้าตอบใดเรามีบุญมากกว่าบาปบาปมันยังจะไม่มีกำลังที่จะออกผลออกดอกแต่ถ้าเวลาใดที่บุญของเราน้อยกว่าบาปเวลานั้ น, นบาปมันถึงจะออกดอกออกผลให้กับเราเห็นถ้าเรากลัวผลบาปที่เราทำเรายังมีวิธีที่จะชะลอมันได้คือพยายามทำบุญให้มากๆเย็นอย่างองคคลิมาเนี่ย่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ เจริญวิปัสสนาจนบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วไอ้บาป ท, ที่ที่เกิดจากการฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบ้าคนก็ตามมาไม่ได้แล้วเพราะการเป็นพระอาหารหันต์นี้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วครับไม่มีอะไรมากนะยัถาม <Okay. S 1> ได้เลยดิเพราะปัญญาน้อยและเกินภาวนาก็ไม่เก่งก็ดีมีถามปัญหาคนอื่นจะได้รับร <Okay. S 1> ู้ด้วยมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าไม่มีก็ขอเอาเพียงแค่นี้ก่อนเพราะมันก็ใกล้จะหมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติว่าความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด ไ, ไ, ได้ค่ะเนูไ ป, ไปให้เป็นรนตอ่อได้ไหมได้ค่ ะ, ะเา